พระ อ, องค์ก็ทรงมณสิการปฏิจจสมุบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรีก็คือตั้งแต่6กโมงเย็นถึงสี่ทุ่มก่อนเนี่ยนะปฏิจจสมุบาทแปลว่าอะไรแปลว่าปัจจัยการนะนะแปลว่าธทมที่อาศัยการเกิดขึ้นคําว่าปฏิจจสมุบาทเน้นไปที่ตัวปัจจัย น, นะคำที่มาคู่กับปฏิจจสมุบาทคือปฏิจจสมุปปณธรรม เอาใหม่นะถ้าในาเอกสารนะซ้ายมือของเราทั้งหมดนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทขวามือทั้งหมดเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเนี่ยนะนะซ้ายมือขวามือนะเช่นอวิชชาเป็นปัจจัยเนี่ยนะนคว่าอาวิชชาเป็นปัจจยัยอันนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทจึงมีสังขารสังขารอ น, นั้นเรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมอย่างสังขารเป็นปัจจยัยอันนี้เป็นปฏิจจสมุปบาท ตัววิ ญ, ญญาณที่มีสังขารเป็นปัจจัยนะวิ ญ, ญญาณอ น, นั้นเป็นปฏิจจสมุปปณธรรมต่เท่ากับว่าลูกศรก็บอกอยู่แล้วว่าฝั่งซ้ายเป็นปัจจัยฝั่งขวาเป็นปัจจยุบบัญเนี่ยนะปัจจยุบบันเรียกเรียกว่าปฏิจจสมุปปณธรรมเนี่ยนะก็พระองค์ก็ไข้ครวญน่ย น, นะถ้าถ้าเป็นไปอย่างนี้นะทั้งหมดเลยในหน้าเด้งเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าอนุโลมเพราะว่า ปัจจัยทั้งหลายเนี่ยดำเนินอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้แต่ถ้าเป็นปฏิโลมนะปฏิเสธปัจจัยเหล่านี้ น, น, นะนะเพื่อปัจจัยในส่วนนั้นหมดปัจจยุบันหมดนะไอาการปฏิเสธแบบนี้เรียกว่าปฏิโลมอ่าไม่ใช่ว่าเดินย้อนย้อนกลับเฉยๆนะแต่หมายถึงว่าทําลายถ้าปัจจัยนั้นนั้นสิน้นผลก็ต้องหมดไปด้วยอ่านะในส่วนนั้นเรียกว่าปฏิโลมมันเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร เอกสำนวนหนึ่งท่านนิยมแปลว่าสังขารเกิดขึ้นพร้อมเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยเนี่ยนะตัวสังขาร น, นะหมายต้องต้องพูดเอาปัจจยุปันเป็นหลักก่อนน ะ, ะการกล่าวกล่าวธรรมะใดๆก็ตามควรควรเอาผลมาตั้งแล้วค่อยสาวไปหาเหตุเนะควรเอาผลมาตั้งอย่างที่ว่าเอสังขาร สังขารเหล่านี้ประชมพร้อมเพราะอะไรเป็นปัจจัย <Okay. S 1> เพราะอาวิชาเนี่ยนะเขาเขาจริงๆแล้วโดยทั่วๆไปควรควรแปลเช่นนี้ว่าการประชุมเกิดขึ้นของสังขารเพราะอเมวิชาเป็นปัจจัยการประชุมเกิดขึ้นของวิญญาณเนื่องจากมีสังขารเป็นปัจจัยการประชุมขึ้นของนามรูป มีได้เพราะวิญญาณเป็นตัดใ จ, จนะเขาก็จะไล่ไปในลักษณะนี้ทีนี้ถ้าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอวิชชาเนี่ยนะก็คืออะไร น, นะเมื่อวิชาเกิดขึ้นวิชานี้ต้องระดับมัชมัชก็มีสี่มัชนะนะก็ต้องอเอาอันระดับสุดท้ายมาพูดคืออรหัตตมัชถ้าอารหัตตมัชเนี่ยเกิดขึ้นสํารอกอวิชชาโดยไม่มีส่วนเหลือกรรมก็ สังขารก็หมดสภาพเพราะฉะนั้นสังขารก็ไม่ประชุมลงเพราะว่าอาวิชชาสิ้นแล้ววิญญาณก็ไม่อย่างลงเพราะกรรมสิ้นแล้วเนี่ยนะหรือกรรมหมดแล้วถ้านามรูปก็หมดเพราะว่าสิ้นวิญญาณเนี่ยนะวัตถทุ ก, ก็จะเป็นไปอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิโลมปฏิโลมไม่ใช่ว่าไล่ขึ้นไล่ลงแบบนี้นะ สมมติว่าถ้าไล่ลงแบบนี้เรียกว่าอนุโลมไล่ขึ้นแบบนี้เรียกว่าปฏิโลมอันนี้ไม่ใช่ในยะนี้ไม่ใช่แบบนี้นะคำว่าอนุโลมคืออะวัตตะเป็นไปอย่างนี้ถ้าปฏิโลมคือหมายความว่าวัตตะต้องทำลายแบบนี้นะไอการทำลายวัตตะสิ้นปัจจัยอย่างนี้เรียกว่าปฏิโลมเนี่ยนะพูดถึงปฏิจจสมุปบาทนะฮะก็ท่าในถ้า ในในส่วนแห่งอดีตนี่นะอวิชชาเนี่ยเข้าเป็นตัวสาคัญในเรื่องการทำกรรมนะพะในปัจจุบันชาติเนี่ยตัวตัวตัณหากับกลับมาเป็นบทบาทที่เป็นตัวทำให้เกิดกรรมทั้งสองอย่างเนี่ยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแต่พอต่อต่อไปก็ ก, ก็อวิชชาใหม่แต่ถ้าเป็นเหตุผลทั่วๆไปนะจะฟังง่ายว่า ยกอย่างอย่างตอนตอนที่ท่านในอดีตเลยนะถ้าชีวิตเอาแบบไม่ต้องชาติหน้าหลับ mm hmm. ถ้าเราจะพูดถึงความผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งในอดีตของเรานะ mm hmm. เราจะบอกว่าตอนนั้นอะเพราะไม่รู้ใช่ไหมจะยกให้ไม่รู้แต่พอตอนนี้นะมันยังชอบจะไม่ยกให้ว่าโง่แล้วนะไม่ยอมรับวัาตัวเองโง่ง่ายๆหรอกแต่ว่าชอบจะยกให้ว่าชอบมากเนี mm ่ยนะว่าชอบสิ่งนั้น อย่างสมมุติว่าเออสมัยก่อนเนี่ยทําไมคุณจึงติดยาเสพติดอ่ะตอนนั้นผมเป็นเด็กผมไม่รู้อะไรเป็นอะไรอ่ะตอนนั้นถือยกความไม่รู้เป็นเกณฑ์อ่ะตอนนี้คุณก็เลิกซะสิไม่ได้มันติดแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็จะยกให้ความติดข้องเนี่ยนะคือหมายว่าถ้าถ้าบอกว่าติดข้องนะส่วนใหญ่มันก็ให้อภัยกันง่ายใช่ไหมก็คนก็จะเห็นด้วยจะหมายความแบบนี้หรือเปล่าครับคือว่า ถ้าในปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันชาติเนี่ยถ้าจะกล่าวถึงการที่จะได้ตัดวงจรไอ้อันนี้เดียมันเห็นชัดเจนมากกว่าอวิชาตัวตันหาเนี่ยมันชัดเจนมากและที่จริงตันหาการวิชาเนี่ยมันก็ต้องมาด้วยกันนะก็คืออวิชาจะชอบเออเขาว่าจะปิดในสิ่งที่ตันหาชอบแล้วตันหาจะชอบในสิ่งที่อวิชาปิดไว้เขาจะมีอยู่เท่านี้แหละ มันก็มันก็ช่วยกัน น, นะนีพอถ้าเป็นวัตตะทั่วทวไปพระองค์จะตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกันมีตันหาเป็นเครื่องประกอบท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่เนี่ยนะก็น้ําตาก็มากกว่าน้ําทะเลมหาสมุทรถ้าทั่วทวไปก็กทั้งคู่เนี่ยนะเอาหมดเลยปกตินะฮะถ้าจะให้ให้แม้แต่คนที่ศึกษาเนี่ยถ้าจะให้พิจารณาเบอก ให้พิจารณาเห็นอวิชากับพิจารณาเห็นปัญหานี่ต่างกันมากเลยพอให้เห็นอวิชาดูที่มีลักษณะยังไงบ้างเนี่ยโอ้ยากมากเลยแทบจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าบอกว่าเออพิจารณาเห็นปัญหาของเราเนี่ยนะยังพอที่จะเห็นแล้วก็เห็นได้ชัดนึกคือคือนึกนึกออกค่อนข้างง่ายนะสมมุติถ้าจริงๆริอะสมมตินะน้ําปานะนี่มันอร่อยอย่างเงี้ยนะถ้าบอกว่า เราชอบอ่ะนะบอกว่าชอบมันอร่อยอ่ะถ้าพูดในลักษณะเนี้ยตัำหาเนี่ก็ยอมรับกันว่าชอ บ, ชอบแต่บอกแหมอวิชาในน้ำป่านะนะมันเข้าใจยากเหลือเกินเนี่ยนะมันมันเข้าใจยากแต่ถ้าพูดถึงย้อนไปในอดีตว่าเราไม่รู้เนี่ยนะยกให้อดีตนะยกให้ความไม่รู้เนี่ยจะ ง, ง่ายะนะมันมันชัดอ่ะนะเพราะนึกอะไรไม่ค่อยออกแล้วก็ยกให้ความโง่ความเขลาไปแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันเห็นเห็นเลยก็คือความ ความชอบใจเนี่ยนะอันนี้ยอารมณ์อื่นก็ลักษณะเดียวกันอย่าว่าสิ่งนี้สิ่งเดียวนะสิ่งอื่นเหมือนกันเลยเห็นไหมก็ความความรุ่มหลงเนี่ยนะปกติไปก็ไม่ต้องนึกถึงอดีตชาตินะแค่ของชาตินี้ของามาเนี่ยนะนึกอดีตเนี่ยนึกถึงอวิชชาเนี่ยง่ายอ่นะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนึกถึงอวิชชาเนี่ยนึกง่ายมากนึกตัณหานี่นึกไม่ค่อยออกแต่ถ้าปัจจุบันนี้เออตัณหาเนี่ยนึกออกง่ายมากอ่านะ เาะตันหาเนี่ยนะจึงแสดงมาในลักษณะปัจจุบันเพราะมีภาษาเวทนานี่แหละเป็นปัจจัยถ้ า, าอาดีตนี่ก็เกิดจากอาวิชชาในหน้าสองกล่าวถึงว่าเพราะอาวิชชานั่นแหละดับโดยไม่เหลือด้วยมรคคือวิราคะเนี่ยนะอวิชชานี่ต้องทําลายด้วยแสงสว่างนะั่นคือวิชาา น, นะเมื่อวิราคะหรืออริยมรคเกิดขึ้นแทงตลอดวันนี้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 ตันหาก็ดับถ้าตันหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทาน argent, ดับภพก็ด e ับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณาโศกะปริเทวะทุกขโทมณตและอุปาญาตจึงดับก็เป็นอันว่ากองทุกทั้งมวลนั้นย่อมดับด้วยประการอย่างนี้อันนี้เรียกว่านิโรธวาระก็คิดดูนะว่าเอ๊ะสองบทเนี่ยนะเอามาพิมพ์อยู่แค่หน้าเศษเศษหน่อยเดียวเนี่ยพระองค์ใช้เวลาพิจารณาสีชั่วโมงเนี่ยน่าคิด คิดยังไงตั้งสี่ชั่วโมงอะนะก็ของเราก็ให้จำได้หัวข้อก็ออพอก่อนนะนะก็ถือว่าได้อุปนิสัยแล้วละ่ะนนะก็รีกว่าเอาแต่ใจความสำคัญก็พอหวอนนเห็นไนะนีพระองค์ก็พิจารณาเนี่ยนะพอพิจารณาเสร็จพระองค์ก็รู้เนื้อความทั้งหมดโดยสรุปที่พิจารณาเนี่ยนะว่าก็เปล่งอุทานขึ้นในขณะนั้น นะอุทานขึ้นใน4ี่ทุ่ม น, นะเงียบสงัดอยู่คนเดียวแล้วเปล่งอุทานขึ้นมานะถ้าไม่จริงๆเนี่ยนะไม่เปล่งอุทานมาง่ายๆก็เปล่งอุทานแต่ว่าอุทานอันนี้เกิดจากปัญญาเป็นสมุดฐานแต่เป็นปัญญาที่เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาเนี่ยนะก็เท่ากับมหากิริยาดวงที่หนึ่งั่นแหละเป็นสมุดฐานให้เปล่งโสมนัสออกมาว่าเมื่อใดแลธรรมะทั้งหลายปรากฏแกพราม ูเพียนเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมะพร้อมทั้งเหตุเนี่ยนะมอลองประชุมอริยสัจนี่เป็นสัจจะอะไรได้บ้างลองดูว่าใครจะประมวลดูที่ว่าไม่ใช่อัตถะฐานนะแล้วมองให้เป็นอริยสัจเนี่ยนะเนี่ยนะทาไมนะเมื่อใดแล่ทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้ ผู้มีเพียรเพ่งอยู่เนี่ยนะเมื่อใดเลยทำทั้งหลายทําในที่นี้คือมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงโพธิปัจจยธรรมเนี่ยนะความหมายที่สองคืออริยสัจจะทำเนี่ยนะธรรมะคืออริยสัจปรากฏหมายถึงตรัสรู้เนี่ยนะว่าเมื่อใดคืออริยสัจเนี่ยนะตรัสรู้ใครตรัสรู้ล่ะพราหมณ์เนี่ยเขาตรัสรู้พราหม์คือพระ้าหาันเนี่ยนะ ตรัสรู้ที่ตรัสรู้พร่ะอะไรเพราะมีความเพียรเพียรเนี่ยคือสมมามัคประธานแล้วก็เพ่งเพ่งเนี่ยเป็นชื่อของฌานนะเพ่งเนี่ยมาจากชายโตมาจากเพ่งฌานมีสองอย่างคืออารัมมณูปนิสสฌานกับลักคนูปนิสสฌานว่าคืออริยสัตเนี่ยนะได้ปรากฏแก่พระอาหารหันต์ผู้มีความเพียรแล้วก็เพ่งที่เจรณาอยู่อย่างนี้เนี่ยนะ ก็จนผ่นอนนั้นการบรรลุอริยสัจเพราะเพราะปัญญานะเพราะการตรัสรู้ด้วยอํานาจของความเพียรอันนี้อันนี้ขบรรทัดแรกก่อนนะสรุปนะธรรมะทั้งหลายอันนั้นคืออริยสัจปรากฏแปละว่าตรัสรู้เนี่ยนะแก่พระอรหรันทรามคือพระอรหันต์ผู้มีความเพียร น, นั่นคือวิริยะแล้วก็ฌานฌานมีสองประการคือลักคนูปนิสชาณและอารัมมณูปนิสชาณ ทั้งสองประการแต่ว่าพิเศษก็ลักขณูปนิสชาณเนี่ยนะเพราะหมายถึงวิปัสนามัทวิปัสสนากับมัทถึงจะเป็นอารามนูนะผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าจริงๆแล้วเขา้าพิจารณาสลับกันไม่ยากก็สำหรับผู้มีปัญญาอย่างที่ว่าไปนะเขาเข้ารู้เอ่อรู้เลยว่าถ้าเจริญไปกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะอุทจักกรมเรบอย่างเงี้ยนะสมมตินะ ถ้าเจริญไปนี้ก็สลับเข้าสมาธิสีอีกนิดหนึ่งนะปรับสมาธิสีก็จะหลังจากนั้นก็จะเจริญปัญญสี่ต่อไปเนี่ยนะคือคือหมายให้ว่ารู้ขอบเขตอนุภาพของปัญญาว่าปัญญาเนี่ยควรจะทํางานได้เวลาระดับไหนเนี่ยนะก็ปรับเนี่ยนะคือเนื่องจากว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุงมากคือเรียมรักเนี่ยนะมันก็จะเกิดการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา คือในมักในมักที่เป็นเบื้องต้นนะถ้าที่เป็นถ้ายังระดับการพิจารณาต้องปรับกันอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ที่ชำนาญเนี่ยนะสมถาวิปัสนาเขาไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย น, นะก็เหมือนกับว่าเห็นคนเสื้อลายเนี่ยนะก็คิดนะ่สีขาวกับสีเขียวเนี่ยนะดูยากไหมแค่มนศสิการสีไหนสีนั้นมันก็เกิดเท่านั้นเองอ น, นะสำหรับผู้ที่ชำนาญ น, นะก็ไม่ได้ยากอะไรเลยก็ อย่างอย่างในทั่วๆไปเนี่ยนะกล่าวถึงว่าฤทธิ์ที่เป็นของพระอริยะเนี่ยพระอริยะจะมองปฏิกูลไม่ปฏิกูลก็ได้จะมองไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลก็ได้ในสิ่งเดียวกันน่ะนะท่านเลือกคิดได้อย่างท่านประสงค์วหมงอนกันเถอะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะประสงค์จะคิดแบบไหนท่านก็คิดได้หมดอยู่แล้วคือแต่ว่าจุดมุ่งหมายท่านมีอยู่แล้วว่าเนี่ยนะทำทั้งหลายอ่ะนะหลักตั้งจริงจริงอ่ะอาอริยศัตว์เป็นเกณฑ์ เนี่ยนะอรียสัตว์เป็นเกณฑ์ทีนี้ต่อไปนะว่าเมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปสงสัยเนี่ยนะแปลเป็นบาลีคือ น, นะคุณชูศรีวิจิกิจฉามีเท่าไหร่วิจิกิจฉาบางแห่งก็มีวิจิกิจฉาแปดใช่ไหมแต่นี้นัยะวิจิกิจฉาสิบหกเนี่ยนะคือสงสัยในอดีตห้าสงสัยในอนาคตห้าสงสัยในปัจจุบันเนี่ยหกเนี่ยนะ ทีนี้ถ้าผู้ที่มองปฏิจจสมุปบาททั้งเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยนะในการสามออกหมดเลยว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเนี่ยสมมติว่าเหตุดีดผ ล, ผ ล, ผลปัจจุบันผลปัจจุบันเป็นปัจจัยให้ทําเหตุใหม่เหตุใหม่เป็นปัจจัยแก่อนาคตต่ถ้ามองเป็นเหตุเป็นผลตามหลักการแล้วนะถามว่าจะสงสัยไหมไม่สงสัยแต่ถ้าอโย น, นิโสเกิดนะถ้าคิดแบบเราคิดเมื่อไหร่จะสงสัยอันนะัคือคือมันแล้วแต่ว่า ถ้าคิดแบบท่านคิดมันไม่สงสัยแต่ถ้าคิดแบบเราคิดมันสงสัยคือคือถ้าแบบแบบท่านคิดท่านคิดยังไงท่านจะเอาเป็นนามรูปวิญญาณสังขาร น, นามรูปสลายตระนาแล้วท่านจะมองเป็นเหตุเป็นผลของท่านอ่ะนะท่านก็ไม่สงสัยแต่ของเรานะจะมองไอ้เราก่อนที้เรามาไงเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นไปลักษณะเนี่ยจะสงสัยจริงๆันะทั้งเหตุผลเนี่ยสี่ชั่วโมง เพราะฉะนั้นอันนี้นี่สี่ชั่วโมงแบบบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะเนี่ยแพ่งตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะแต่ไม่ใช่เรื่องนี้ท่านเพ่งแต่ตอนนี้ท่านคิดสรุปคิดทั้งคืนเนีย่ยนะแต่ว่าอันนี้เอาเหตุการณ์เฉพาะตอนปฐมยามมาว่าก่อนนะหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มมากล่าวก่อนเพราะไม่ใช่อะไรเพราะของเราในช่วงปฐมยามอยู่พอดีเหมือนกันมาเิ ไ, นนไปคิดปฏิจจส ม, มุปบาทแล้วไปเ่าพระเจ้าควาออกเกิดปีเตียเข้าใจใ น, นปฏิจจส ม, มุปบาท คุณเจ้าบอกเธอยังไม่เข้าใจหรอกอปฏิจจสมุปบาทนี่มันเหมือนน้าใสแล้วกัลึกเธอไ้เห็นน้ําใสนี่ว่าตื้นเดียวรอยท่มหัวมิดท่วมหัวเลยออืพอที่ท่านเข้าใจเนี่ยยังไม่ลึกซึ้งเป็นกเปลือบมอนเหมือนนกแก้วนกขนท้องอ่ะท้องด้านแต่ไม่เข้าใจนี่แหละว่าไปนานๆนี่ให้ว่าไปนานจะเสียมากกว่านี้อีกอจําบทและพยัญชนะได้ไม่หมดนี่เสียหายมากเลยเกินใน ในนั้นเนี่ยนะพระอ น, นุเนี่ยท่านพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอยู่พอท่านพิจารณาเสร็จเนี่ยนะท่านก็เห็นเนี่ยนัยยะปรากฏเนี่ยมากมายเหลือเกินเสร็จแล้วก็บอกอืมมันก็พิจารณาได้คนอื่นน่าจะพิจารณาได้นะธรรมะขนาดนี้คนอื่นเขาก็รน่าพิจารณาได้แล้วคนอื่นเขาพิจารณาได้อย่างนี้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าอะไรเพราะมันมองเห็ น, นอะนะมองเห็นรู้คนอื่นเขาน่าจะ ปรากฏแบบนี้ได้ น, นะง่ายๆอย่างนี้ได้เนี่ยนะว่าคนอื่นยังเขาง่ายหรือเปล่าเนาะเสร็จแล้วก็ไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระองค์ก็บอกว่าอย่ากล่าวเช่นนะั้นเะห็นไหเพราะอะไรเพราะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นของลึกเพระาะศาทั้งหลายไม่แทงตลอดปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละ จ, จึงรกชัดเหมือนกันเถอะจึงรกชัดเหมือนญ่าอะไรนะเหมือนกับรังนกอะนะรังนกกุนติละก็คือไอ้ที่มันหรือว่าได้ของช่างหูกที่ผสมกับน้ําแล้วก็หนูกัดอะนะมันยุ่งไปหมดเลย เพราะไรก็เพราะไม่แทงตลอดปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละถ้าปฏิจจสมุปบาทจากเป็นของง่ายจริงเธอก็น่าจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ได้บรรลุเนี่ยนะท่านปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะท่านบอกว่าถ้าอุปมาอีกนายหนึ่งก็คือเหมือนกับน้าทะเลที่มันลึกซึ้งเนี่ยนะมันก็แล้วแต่ใครจะมีไม้วัดอยู่เหมือนกัน อันผู้ที่แทงตลอดปฏิจจสมุปบาทโดยสิ้นชองทุกส่วนก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะของท่านก็ท่านก็เห็นในส่วนหนึ่งท่านก็เห็นในส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่ท่านเห็นเนี่ยอย่าไปคิดว่าคนอื่นจะเห็นง่ายแบบท่านทําไมเพราะท่านบําเพ็ญบารมีมาแสนมหากรัปแล้วเป็นคนที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าวัน ล, ละสิบปรอบอันไนะกลางวันเก้าครั้งกลางคืนเก้าครั้งเนี่ยนะเข้าเฝ้า ท่านอยากเข้ามากกว่ น, นั้นอ่ะอยากจะไปฟังเพราะอะไรเพราะหนึ่งคำที่พระพุทธเจ้าตรัสนะท่านเข้าใจแทงตลอดเลยหกหมื่นบททันทีนะก็หนึ่งคำคูณหกหมื่นใช่ไหมหนึ่งคาคูณหกหมื่นหนึ่งคำคูณหกหมื่นแล้วพระพุทธเจ้านะความสามารถนะเราพูดหนึ่งคำภาโนนพูดแปดคำภาโนนพูดหนึ่งคำพระพุทธเจ้าตรัสได้สิบหกคำแล้วพภาโนนเนี่ยแทงตลอดเว้โอ้โหเป็นหมื่นหมื่นในอย่างเงี้ยนะท่านก็บอกว่าพิจารณาได้เรียนได้อย่างงั้นแต่ อันนี้พูดสําหรับท่านนะักคนอื่นเหมือนกับว่าเ อ, อประฐานเนี่ยนะมันน่าจะเรียนได้นี่ก็ดูสินี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้คนอื่นก็ไม่ได้เอาสิเห็นไหมมันไม่ได้เท่ากาันขีคความสามารถไม่ได้เท่ากาันเห็นไหมแต่ก็ง่ายในส่วนที่ ท, ท่านได้นะแต่ไม่ใช่ว่าถ้างั้นสัพพัญยุตยานก็เกิดแก่พระอานนท์สิแต่อย่าลืมว่าพระอนนนี้ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้มาตรฐานกับทุกเรื่องใช่ไหมไม่ใช่เป็นผู้ที่มาตรฐานกับทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งภาษาริบุตรเป็นต้นก็ต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นเป็นผู้วินิจฉัยถึงขนาดเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะในสูตรที่ว่าเนี่ยนะก็ดูในมหานิธานสูตรนะทีคณิกายนะในเกี่ยวกับเรื่องถ้าว่าพระอนุพิจารณาว่าปฏิจจสมุบาทเป็นของคือภิกษุอื่นน่าจะปรากฏเป็นของง่ายนะท่านไปคิดถึงคนอื่นนะย้อนมาอีกทีหนึ่งว่า ความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นก็ย่อมสิ้นไปอันนี้ว่าถ้าพิจารณามองปฏิจจสมุปบาทมองเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลยังนะวิจิกิจชาทั้งสิบหกก็หมดไปเพราะอะไรเพราะรู้ธรรมะพร้อมทั้งเหตุสรุปว่าในคาถาพุทธอุทานที่หนึ่งนี่นะเน้นที่รู้ปฏิจจสมุปบาทถ้าแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทละอะไรได้ละวิจิกิจชาสิหกประการ ทีนี้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยรู ập, ้แต่ <sucks> ปัจจัยอย่างเดียวพอไหมเป็นได้ไหมก็บอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมหมายถึงว่าไอการที่จะรู้แต่ว่ารู้แต่วิชาอย่างเดียวไม่รู้สังขารได้ไหมหรือรู้แต่สังขารอย่างเดียวไม่รู้วิชาได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทและปัจจัยกับปัจจัยยุบบนรธรรมก็ต้องเห็นควบคู่กันเพราะฉะนั้น คถานี้ก็เน้นไปที่ว่าท่านรู้ปฏิจจสมุปบาทเท่ากับรู้ปฏิจจสมุปบาทสมุปปณธรรมก็คือเท่ากับรู้ทุกขสัตว์กับสมุทยัยสัตว์เป็นอย่างดีก็คือเน้นไปที่ใครครวรทุกขับสมุทยัยสัจจะ